เข้ามาพักนะตามวัดต่างๆมันที่จริงเราต้องขอบคุณนะขอบคุณเจ้าของสถานที่นะเป็นครูบาอาจารย์นะเป็นพระหรือเป็นญาติโยมที่อุปถรัรมภ์วัดวาอารามต่างๆไว้นะหลายที่ก็ต้อนรับคณะพวกเราอย่างดีนะหลายที่ก็เกื้อกูลหลายๆอย่างแก่พวกเรา ที่จริงต่นั้นก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นบุญคุณนะที่พวกเราได้เรียกว่าได้รับจากผู้ที่อยู่ก่อนจะเป็นเจ้าของสถานที่ที่มาอยู่ตรงนี้เนะที่ไหนๆก็แล้วแต่ก็คือเขาได้สร้างแล้วก็ได้รักษาเสน่หนันะหรือว่าเรืออื่นอื่นไวป้ปก่อนอยู่แล้วที่จริงถ้าจะย้อนไปก็ต้องขอบคุณ พระพุทธเจ้าน่ที่เรียกว่าไดประก า, ะาศศาสนาแล้วก็ดำรงสืบทอดาศาสนาจนถึงรุมพวกเราต่อกันมานไม่ใช่เพราะว่าเราดีไม่ใช่เพราะาเราเก่งหรือไม่ใช่เพราะเป็นบุญของเรานะที่จริงเป็นบุญกุศลที่คนอื่นเขาได้ทํากันมาแล้วประกอบกันมาแล้วพวกเราเพีงแค่มาเสวยหรือว่ามาสัมผัสนะ แลวส่วนหนึ่งเราก็จะเป็นผู้ที่สืบต่อตรงนี้ด้วยนะถ้าจิตของเรารไปที่ไหนแล้วก็ได้รับบุญคุณจากใครนะได้รับความช่วยเหลือจากใครแล้วจิตใจเราน้อมในการขอบคุณน ะ, ไ ม, ะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการสร้างว่าเออเพราะว่าเราดีเราเก่งเราวิเศษอะไรคนอื่นถึงมาช่วยเหลือที่จริงไม่ใช่เลยเขาช่วยเพราะจิตของเขาอยากจะให้เขาช่วยเพราะ ความเมตตาหรือว่าความปรารถนาดีที่จิตของเขาอยู่แล้วเราเป็นเพียงแค่เหตุปัจจัยหนึ่งที่เรียกว่ามากระตุ้นหรือว่ามาส่งเสริมให้เขาได้กระทําพึงงานความดีเล้อนั้นสืบต่อกันมาถ้าจิตของเรามันรู้สึกแบบนั้นหรือว่ามันน้อมไปดังนั้นอาจะเป็นการเรียกว่าเป็นการลดอัตาตัว ต, วตนของตัวเองไปเพราะว่าจิตที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นเพียงแค่ คนเล็กคนน้อยผู้ที่มีผู้ที่มีที่มาอาศัยเขาอยู่ชั่วคราวหรือว่าผู้ที่ต้องพึ่งพาคนอื่นอยู่เสมอพึ่งพาคนอื่นอยู่เสมอจิตที่คิดแบบนี้มันจะเรียกว่ า, ม, วามันจะไม่เพียอมันจะไม่ผอมตัวแล้วก็จะไม่อวดตัวเนี่ยจะเป็นจิตที่เรียกว่าเออเรียกว่าทำตัวน้อมโน้นมในการที่เราอ่อนน้อมทำต น, นให้พวกเราได้พยัยา ดูดูจิตสุจิตในทางแบบนี้แล้วก็มันก็จะส่งเสริมให้กิริยามารยาทของเราเป็นผู้ที่เรียกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนนะแล้วก็เป็นกิริยามารยาทของผู้ที่เรียกว่าใฝ่ในการเรียนรู้แล้วก็รู้จักตอบแทนบุญคุณผู้ที่มีพระคุณขับเรามาก็ตั้งแต่ที่ว่าเจ้าของสถานที่ก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีหรือว่าตลอดจนถึง พรพุทธพระธรรมประสมฆ์ก็ดีแต่บุคคลหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้ก็คือครูบาอาจารย์ของพวกเราเองนะถ้ามีครูบาอาจารย์ของพวกเราเองจะเป็นพระอุปัชฌาย์ก็ดีพระอาจารย์ก็ดีหรือแม้แต่สมพ่อครูบาอาจารย์ที่เราได้ได้ได้ฟังคําสอนได้อบรมพวกเรามามันก็น้อมให้กิริยาของเรามันในทางธรรมะนะหรือว่าน้อมให้ธรรมะของเรามันจเจริญขึ้นมาเรื่อย ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เหล่านี้นะ mm. ก็ยากที่ว่าเราจะเดินทางมาถึงตรงนี้ได้แต่หลายอย่างที่ประกอบมาเป็นตัวเราในตอนนี้นะ mm. ก็ประกอบมาจากหลายอย่างเริ่มตั้งแต่พ่อแม่ที่ให้กําเนิดมาสัตว์ต่รงสิ่ ง, งทั้งหลายที่ให้ให้ชีวิตให้การอบรมให้การช่วยเหลือให้การเลื้องดูพวกเรามามีมากมายเลยไม่ใช่เพราะว่าเราดีเราเด่นแต่เพราะว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะประกอบกันมาเลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้พวกเราเดารงชีวิตแล้วก็ดํารงจิตใจมาถึงตอนนี้ได้จิตถ้ารู้สึกวนะ่าเนี่ยอ๋อที่จริงถึงต่างๆมันประกอบกันมาเท่านั้นนะประกอบกันมาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยดํารงอยู่เช่นนี้ของมันต่อเนื่องสืบต่อกันไปนะนี่แต่ครนี้เมื่อเราริู้สึกตอนนี้แล้วครานี้ก็ยิ่งเป็นการตระหนักว่าเออ ที่จริงชีวิตที่เราได้อยู่เนี่ยมันประกอบด้วยคนอื่นให้มาทั้งนั้นแต่ทําอย่างไรล่ะเราถึงใจเรียกว่าดำรงชีวิตอยู่ด้วยการฝึกจิตฝึกใจหรือว่าการประพฤติสิ่งที่ดีงามยิ่งขึ้นไปให้สมกับสิ่งที่ผู้อื่นเขาให้เรามามากมายแล้วเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่เราต้องมาตระหนักถึงหน้าที่ถึงการกระทําของเราเองเออนี่แหละเนาะเราต้องเป็นผู้ที่ฝึกจิตฝึกใจ ให้สูงขึ้นไปให้สมควรแก่นะการต้อนรับให้สมควรแก่สักการะบ้างหรือให้สมควรแก่การช่วยเหลือบ้างนะนนี่เป็นสิ่งที่เราต้องน้อมเข้ามาใส่ตนอยู่เสมอไปอยู่ที่ไหนถ้าเราน้อมตรงนี้แล้วจิตมันจะอ่อนจิตมันจะอ่อนโยนแล้วก็นุ่มนวลแล้วก็จิตมันก็จะตื่นรู้อยู่เสมอจนะอยู่ที่ไหนก็ตื่นตื่นตัวในการปรับตัวปรับใจ ให้เรียนรู้กับธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเนี่ยให้พวกเราพยายามดูจิตเป็นแบบนี้แล้วก็คอยสังเกตบางทีถ้าจิตมันเรียกว่ามั น, สนแสดงตัวตนนะฮะคองตัวหรือว่าอวดตัวว่าเราดีเราเก่งเมื่อไหร่พยายามเรียกว่ารู้ทันมันให้เร็วอย่าให้มันได้สแสดงตัวตนอวดนะ อดความเก่งอดความกล้าอดความอะไรต่างๆมากมายเพราะว่าที่จริงพวกนะั้นมันเป็นสิ่งที่หลอกเท่งนั้นนะหลอกว่าอตัวตนมันยังดำรงอยู่เช่นไรเนะี่ยเราฝึกจิตฝึกใจเพื่ออะไรฝึกเพื่อแรกๆนะอาจจะยังละตัวตนไม่ได้มันก็ต้องลดลดตัวตนลงไปให้มันมากที่สุดนะตัวตนที่เราเคยสะสมมาแบบไหนก็แล้วแต่นะ จากการศึกษาจากการทำงานจากความสำเร็จในชีวิตต่างๆหรือว่าจากความรู้ที่มีตอนนี้มันจะบางทีถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันมันจะกลายเป็นการพอ่อฟูนตัวตนให้มันใหญ่ให้มันโตให้มันครับหรือบางทีก็ทําให้เราไม่รู้จัปรับตัวเพราะว่าเราเคยคินที่จะทําตามรูปแบบปรเก่าที่เราเคยทําที่เราคิดว่ามันดีิที่เราคิดว่า ให้ตัวที่แหละมันดำรงความเรียกว่าชีวิตของเราอยู่ได้ด้วยดีแล้วต่อไปเราก็อยากจะดำรงชีวิตเช่นนั้นต่อไปแต่ถ้าเราเออเปิดเปิดใจในการศึกษาดูมันจริ ง, รงที่จริงพวกนี้เนาะมันดอดอมตัวตนของเรามาเช่นนั้นก็จริงทำให้เราได้มีชีวิตหรือว่าได้เดินทางเช่นนี้ก็จริงแต่ถ้าเราจะไปยึดในรูปแบบเดิมต่อไป หือว่าจะรักษาตัวตนเช่นนั้นไว้จะรักษาวิธีจิดรักษาดิตเช่นนั้นไว้ตลอดไปมันก็เป็นการตักขันตัวตนตนเองไว้นีไม่ให้มันก้าวหน้าไปทางไหนเพราะว่าจิตน่ยที่มันมีกิเลสตัณหาครอบงำก็คือมันพยายามห่วงแขวนที่สุดคืออะไรห่วงแหวนความเป็นตัวตนนี่แหละพยายามรักษาอัตตะักษรักษาตัวตนตัเองไว้เสมอแต่ถ้าเรา ลองดูมันดีๆแล้วอ้ออันไหนที่มันเป็นไปเพื่อนะเป็นไปเพื่อความทุกข์นะตัวตวในใดเป็นไปเพื่อความทุกข์ตัวตวในใดเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเองเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนผู้อื่น<ม>เป็นไปเพื่อสนองความอยากนะสนองกิเลสตัณหาตัวตนนั้นแหละเราจําเป็นต้องละต้องเลิกต้องลดไปเสียนะแต่ถ้าสิ่งใดที่กระทำแล้วนะ มันเป็นไปเพื่อความดีงามนในในการให้จิตใจมันจะเดินงอกงามมากขึ้นทาให้ผู้อื่นได้มีความสุขมากขึ้นหรือว่าทําให้เรียกว่าอมันเป็นการลดเป็นการขัดเกลาร์เป็นการขูดเกา่าตัวตนลงไปมากอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่เราพึงที่จะปฏิบัติฝึกัดให้มากขึ้นไปถ้าเราทําเช่นนี้เแล้อจิตใจมันก็จะเรียกว่า ความครอบงำในความเป็นตัวตนมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเจนทั้งถ้าจิตตมีปัญญามันก็จะเห็นเลยว่าที่จริงเนี่ยที่จิตกับตัวตนที่แท้จริงไม่เป็นคนส่วนกั น, นที่จริงจิตที่แท้จริงแล้วไม่มีอะไรเนียมันมีแต่ธรรมชาติปกติธรรมดาความหลงผิดเท่านั้นที่ทําให้เราไปยึดว่าจิตนี้เป็นตัวเป็น ต, ตนของเราทําให้ยึดว่าจิตที่ใสตัวตน ตัวเองเกิดขึ้นเป็นเช่ไนไรแต่จริงแล้วมันไม่ใช่มันเป็นเพียงแค่ ส, สิ่งที่ประกอบกันเท่านั้นสิ่งที่เนี่ยเป็นตามเหตุตามปัจจัยประกอบขึ้นมาเท่านั้นเองไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ใครเนี่ยแต่เป็นเพียงแค่เหตุปัจจัยที่ประกอบกันมาเท่านั้นแต่ถ้าเราไม่รู้ทันมันก็จะหอกว่านี่แหละคือความเป็นเราเนี่ยนี่แหละคือความเป็นเขาแต่ถ้าดูดีๆแล้วไม่มีทั้งเราไม่มีทั้งเขาอ่า มีแต่สภาวะอาการที่เกิด ข, ขึ้นชั่วคราวทัางนั้นถ้าเราเห็นแบบนี้บ่อยๆนะจิตมันก็จะเกิดความเรียกว่าคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนลงไปเยอะเนี่ยถ้ามันคลายความยึดมั่นตัวตนลงไปจิตมันก็เกิดเนความเบาความสบายความสงบความสุขนะมันเป็นความสุขที่เกิดจากการที่เรียกว่ารู้ทันนะรู้ทันกลไกแต่ทางานของกิเลสตัณหา รู้ไทยรู้รู้ทันอ่าความเป็นไฟนในใจของที่เกิดขึ้นในใจนี่แหละนะสิ่งเนี้ยเราค่อยๆศึกษาเรา เ, าเาข า, าจะเรียนรู้ไปก็จะเห็นว่าเออมันเป็นไฟแบบนั้นนี่เองเหมือนอย่างในบทสวดมนต์เนาะก็จะมีบทหนึ่งที่เวลาได้สวดแล้วเจอสึกอิ่มใจมากนะที่บอกที่บอกว่าโลกคือจิตนี้พองอยู่เป็นนิดนะ์ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบื่อนะ ด้วยตด้วยอํานาจของตัณหาของกิเลสตัณหามันม่รจักอิ่มไม่รู้จักเบื่อเลยโลกโลกคือจิตนี้พ้องอยู่สินิตจิตจิตที่เรียกว่าอทําตามกิเลสตัณหานี่ยมันรู้สึกพ้องมันไม่รู้จักอิ่มสักทีมันโหยหาอะไรโหยหาอารมณ์ทางอาญานะตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจมันอยากจะเสพนะ มันจะเจ็บเจ็บรสชาติทางตาบ้างทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่สำคัญทางใจนี่แหละมันจะเจ็บเส็บอารมณ์อยู่เป็นนิจเนี่ยถ้าเรารู้ทันโอ้นี่แหละความพองที่มันเกิดจากจิตที่มันมูื้อจากอิ่มมู้จากพอไม่รู้จกักว่ามันเป็นอ ำ, อ, ำอำนาจของกิเลสตันหานี่เองมันทำให้เกิดเป็นความทุกข์ใจอยู่เสมอไป แต่ถ้าเมื่อไรที่มีสติรู้เท่าทันแล้วอ้อมันอิ่มมันเต็มทันทีมันไม่รู้สึกว่าอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจมันพอใจในสภาวะที่มันเป็นเช่นนั้นมันเป็นของมันแบบนั้นแม้แต่นะสภาวะที่เกิดขึ้นจะเหมือนจะเป็นความทุกข์แต่เมื่อมันพอใจที่จะเพียงแค่รับรู้เฉยเฉยไม่ผักใส่นะไม่ขับไล่ จิตมันก็เกิดความพอดีของมันเองเนะี่ยความพอดีมันก็เกิดจากความพอใจนี่แหละนะแต่พอใจไม่ใช่เป็นการพอใจแบบในทางกรรมราคะนะก็คือเป็นความพอใจที่จะเรียกว่าแค่รู้นะจากสภาวะโดยจิตที่เป็นปกตินี่แหละจิตมันจะเกิดเป็นความพอดีของมันเองนะไม่ใช่พอใจที่จะผักใส่หรือว่ายึดอะไรไว้แต่พอใจเพียงแค่จะ รู้อยู่เฉยเฉยมันเกิดเป็นความอิ่มความเต็มไปในจิตขึ้นมาชั่วขณะเเราก็เรียนรู้แบบนี้อ้อเดี๋ยวก็เห็นว่าจิตมันพ่องไปเสพทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเช่นสังเกตก็ได้เช่นเราเดินผ่านสิ่งไหนรั้บางทีเห็นต้นมะขามจิตก็ไปแล้วนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ตาตาเห็นรูปนะตาเห็นมะขามจิตก็ไปอยากจะ กินอยากจะอะไรก็แล้วแต่ก็ปรุมให้สั่งให้ร่างกายไปเสพไปสัมผัสหรือแม้แต่อาหารที่ผ่านเข้ามาในการตั้งแต่วินทบาทหรือตั้งแต่พิจารณาอาหารในการตัดกัรฉันมันก็เห็นแล้วเมื่อเห็นแล้วเรารู้ทันความอยากที่เกิดขึ้นในจิตของเราไหมอาหารเช่นนี้ถนนเช่นนี้จิตรู้สึกอย่างไรเรารู้ทันไหมจิตมันพองหรือเปล่าเี่ย มันพ้องเพอยากจะได้เข้ามามากลม่ขนาดไหนแต่ถ้าเรารู้ทันแล้วเราก็สามารถพิจารณาได้จะเป็นมอดขามจะเป็นอาหารจะเป็นขนมเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรารู้ทันจิตนะรู้จักว่าอ้อจิตเนี่ยมันไม่ได้ต้องการเพื่อเป็นความอยากนะแต่เป็นเนการต้องการเพื่อเรียกว่าเพื่อดำรงดำรงทาา่าขันดำรงเรียกว่าใช้ตามเหตุตามปัจจัยอยู่เท่านั้น จิตเนี่ยมันจะเรียกว่ากิยาภายนอกอาจจะเรียกว่ากินหรือว่าฉันเหมือนกันแต่ภายในจิตของเราเนมันจะพิจารณาแตกต่างกันถ้าพิจารณาด้วยความเรียกว่าความพอดีพิจารณาด้วยความรู้เท่าทันว่าเป็นไปเพียงเพื่อความตั้งยู่ได้เห่นกายนี้มันก็จะเป็นอ้อจิตมันก็จะเป็นปกติตั้งแต่ที่เห็นนะหรือ ตั้งแต่ที่รับประทานหรือตั้งแต่ที่ทานเสร็จแล้วจิตมันก็จะเป็นปกติอยู่เสมอแต่บางทีถ้าเราไม่รู้เท่าทันนะตอนตาเห็นรูปก็กิเลส ก, ก็เกิดขึ้นตอนสัมผัสตอนกินนะกิเลกก็เรียกว่าก็ทํางานของเขานะหรือว่าตอนที่กินเสร็จแล้วก็ยังโหยหารสชาติตรงนั้นอยู่ก็มีแต่บางทีมันก็เกิดเกิดดับดับนะบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าจะตำลง อี่ตลอดไปหรอกนะกิเลสตันหามก็เกิดดับดับของมันเช่นนั้นไปนะแต่ถ้าเรารู้เท่าทันแล้วมันก็จะเป็นการสร้างเหตุปัจจัยให้กิเลสตันหามมันดับขึ้นได้เร็วขึ้นนะแต่ถ้าเราปล่อยให้เรียกว่ากิเลสตันหามมันลากไปมันก็เรียกว่ามันก็สนองจนมันอิ่มของมันแต่ไม่ใช่อิ่มด้วยความเรียกว่าพอนะแต่อิ่มเนื่องจากมันคล้ายมาเต็มจนพอละนะมันก็เลยไปต่อ สิ่งอื่นใหม่ขึ้นมาแทนที่คล้ายๆเหมือนกับไฟไหมนะเวลาไฟไหมบ้านหลังหนึ่งละพอมันไหมบ้านหลังนี้หมดแล้วมันก็ไปต่ออาคารต่อบ้านต่อเรือที่อยู่ใกล้ไปเรื่อยๆนี่มันมันจะดับได้เองของมันไหมก็ดับได้ถ้ามันไม่มีเหตุก็มาทําให้มันติดเชื้อไปเรื่อยเช่นบ้าน มันห่างๆกันมันก็ไม่แค่หลังนี้หลังเดียวมันก็พอแต่ถ้าอาคารมันต่อเนื่องไปเรื่อยมันก็ต้องไหม้ไปเรื่อยๆหลังนี้มันดับมันก็ต่อไปหลังใหม่เรื่อยๆมีร้อยหลังพันหลังมันก็ต่อไปเรื่อยๆจิตของบุตรชนหรือจิตของคนหรือแม้แต่สัตว์ประสาททั้งหลายก็เช่นเหมือนกันนมันต่อกันไปเรื่อยๆนะมันมีมันมีเหยื่อรอดให้กิเลสปัญหามันได้สนองไปเรื่อยๆ ตอนนี้มันได้สนองทางตาต่อไปมันอยากสนองทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือไม่แต่ทางใจมันมีต่อไปเรื่อยๆจบเรื่องนี้ก็ไปต่อเรื่องนั้นจบเรื่องนั้นก็ไปต่อเรื่องนูน้นต่อทารกพัฒอย่างมากมายห น, น้าที่ของเราต้องรู้เท่าทันจิตเท่าทันใจให้เด็ที่สุดเท่าที่ทําได้นะพยายามรู้เท่าทันให้ถึงที่จิตที่ใจไม่ใช่รู้เท่าทันเพียงแค่กิริยาอาการของกายเท่านั้น เบื้องต้นที่พวกเราฝึกก็เพื่ออะไรฝึกในการรู้อยู่กับการเดินการยืนการนั่งหรือแม้ก่การนอนการคู้แขนเข้าัาเหยียดแขนออกหรือการทําอะไรก็แล้วแต่เพื่ออะไร<ๆ>เพื่อให้จิตมันมีเครื่องอยู่นะให้จิตมันอยู่กับกายให้เป็นเครื่องอยู่เบื้องต้นไว้แต่ไม่ใช่เพียงแค่รู้ว่ากิริยาของกายมันแสดงอาการแบบไหนนะแต่รู้ตรงนั้นไปเพื่อให้เห็นว่าอ้อ สภาวะปัจจุบันของกายเป็นแบบนี้นี่เองแลวจิตใจล่ะมันเป็นแบบไหนสภาวะที่กายมันเดินอยู่จิตใจมันเป็นแบบไหนเห็นกายมันเดินจิตเป็นปกติอยู่หรือเปล่าหรือจิตผิดปกติไปกายที่นั่งอยู่จิตรู้สึกแบบไหนจิตมันเป็นปกติอยู่ไหมหรือว่าจิตมันเผลอคิดเผลอลงไปเนยมันก็เพื่อเห็นกาย เพื่อดูกายก็จะเห็นจิตเห็นใจนี่แหละนะแต่ถ้าบางทีถ้าไม่มีไม่มีฐานคายเลยจะดูที่จิตที่ใจอย่างเดียวมันก็เป็นเรื่องที่ยากเพราะว่า <c oughs> มันละเอียดแล้วก็มันหลอกมันล่อให้หลงง่ายๆอันนั้นการที่จะดูกายก็เพื่อที่จะเข้ามาเห็นในความละเอียดอ่อนของจิตใจนี่แหละนะดูกายเพื่อเห็นจิตนี่แหละถ้าเราเห็นแล้วว่าอ้อ เมื่อเรารู้ทันความคิดที่เกิดขึ้นกับจิตอันนั้นแหละเป็นธรรมะที่ปรากฏในใจคนจิตเพราะว่าเมื่อรู้ทันการปรุงแต่งของกิเลสตัณหารู้ทันสังขารที่ปรุงแต่งมันก็กลายเป็นความไม่ปรุงแต่งไปในจิตของมันเองกลายเป็นความเป็นปกติเมื่อจิตเป็นปกติกายก็เป็นปกติอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังศิลงก็คือกายวาจาเป็นปกติ เพราะกายวาจาเป็นปกติไม่ใช่ว่าเรียบร้อยงดงามโดยที่กิริยาอาการภายนอกนะหรือําพูดภายนอกแต่จริงอ่าจิตมันเป็นปกติเนื่องจากรู้เท่าทันจิตนะแต่ถ้าจิตเป็นปกตินี่แหละนะกิริยาการภายนอกมันก็ได้เป็นปกตินะกายก็สํารวมวาจาก็สํารวมนะสํารวมในระดับไหนก็สํารวมใน ระดับจิตนิสัยของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปนะแต่โดยปกติแล้วที่มันเสมอกันคือเราจิตเมันปกติเสมอการ น, นะกิยาภายนอกเราเอามาเปรียบเทียบไม่ได้หรอกนะจะเป็นครูบาอาจารย์หลายๆรูป ก, ก็ดีจะเป็นเพื่อนทำมิตรของพวกเราก็ดีจะเป็นคนที่เรารู้จักก็ดีนะกิยาภายนอกบางทีดูเหมือนกันบ้างดูแตกต่างกันบ้างแต่จริงที่ นะจะเป็นมาตรฐานในการวัดได้คือเรื่องของจิตนี่แหละจิตเป็นปกติไหมในการกินในการยืนในการเดินในการนั่งในการนอนนะบางทีดูที่ภายนอกืูที่รูปแบบเอาไปเดียมแบบกันไม่ได้บางคนกินขนาดนี้นะคือความพอดีของเขานะไม่ใช่ว่าใครกินน้อยคือคนมีกิเลสน้อยส่กกันนะบางคนกินน้อยก็จริงแต่กิเลสตันหายังมากอยู่ก็มีบางคนนอนน้อยนะ ก็ใช่ว่าจะกี่เลือตันหาน้อยลงไปก็อาจจะเปรียบเทียบแบบนั้นไม่ได้โดยปริมาณภายนอกจะเป็นปริมาณเวลาเป็น ป, ปริมาณอาหารจะเป็นปริมาณในการบริโภคเนะี่ยมันอาจจะเป็นข้อสรุปตายตัวไม่ไดนะ้แต่สิ่งที่สำคัญคือเรื่องของใจถ้าใจเราสัมผัสกับสิ่งใดแล้วกระทำโดยความที่จิตเป็นปกติอันนั้นแหละคือความรู้จักประมาณในการบริโภคนะ แต่ปเป็นการกินในการนอนในการใช้สิ่งของต่างๆถ้ารู้ว่าอ้อเป็นไปเพื่อทำเหตุทางปัจจัยเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเพื่อเยุบอ่าเพื่อพัฒนาจิตใจขึ้นไปเรื่อยๆอันเนี้เราก็เรียกว่ารู้จักใช้สิ่ ง, งต่างๆอย่างรู้จักประมาณในการบริโภคจริงๆจิตที่รู้จักประมาณนั่นแหละก็คือจิตที่เป็นปกติคือจิตที่ไม่ประมาทประมาณเพราะว่าไม่ประมาท เพราะว่าถ้าดูแล้วอ้อท่านมันเตะมากเกินไปเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นการสนองความอยากภายในใจหรือแม้แต่บางทีมันให้มันอดมากเกินไปอ่าให้มันเข็ดมากเกินไปมันก็เป็นการทรมานกายทรมานใจก็มีนนอกจากถ้ารู้ว่าบางทีอดหรือว่าไม่สนองมันเพราะว่าต้องการจะฝึกเพื่อเจะดัดจิตใจ ไม่ได้ทำไปเพื่อจะหวาดว่าเราเก่งกว่าเขาเราทำได้มากกว่าเขาเราเข้มกว่าเขาอันนั้นก็ไม่ใช่ความพอดีของจิตนี่มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เรียกว่าอาจจะไ ม, ไม่มีมาตรฐานภายนอกเป็นตัววัดแต่จิตของเราเองเนี่แหละที่จะวัดได้นี่วัดได้ว่าจิตตอนนี้เป็นปกติหรือเปล่าจิตตอนนี้ผิดปกติหรือเปล่านี่สาคัญมากนะก็คือการรู้ท่าทจิตใจของตน ว่าจิตตอนนี้มันเป็นปกติหรือเปล่าหรือจิตตอนนี้มันผิดปกติไปจะผิดปกติด้วยความกิเลสตัณหาตัวไหนก็ช่างหัวมันเถอะก็แล้วแต่จะเรียกชื่อแล้วแต่จะรู้ทันมันนะจะเรียกชื่อก็ได้ไม่เรียกชื่อก็ได้แต่เพียงแค่รู้ว่าจิตผิดปกติกับจิตที่ปกติมันเป็นแบบไหนอันนี้แหละเราก็จะได้ดักในการปฏิบัติในการภาวนาทุกหมดทุกแห่งเลยนะถ้าเรารู้ทาทันจิตของเราได้นะโอ้ จะอยู่ที่ไหนๆก็เป็นการภาวนาทั้งนั้นนะแต่ทาอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นการภาวนาทั้งนั้นเพราะว่าจิตมันจะย้อนกลับมาดูจิตของมันเองนะไม่ใช่ว่าอยากจะรู้นะแต่มันก็รู้ของมันเองรู้แล้วก็ไม่ได้ห้ามมันการที่ดูจิตได้ก็ไม่ใช่ว่าจิตมันจะต้องเรียกว่าสะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอบางทีก็มีกิเลสตัณหาเข้ามาปมแต่งมีสังขารต่างๆมากมายเกิดขึ้นแต่เมื่อมีสติรู้ทเข้าใจแล้ว แล้วก็พอแค่นั้นออมันก็อยู่กับปัจจุบันไม่ไปคําควรว่าทําไมมันต้องเกิดนะมันเกิดจากอะไรมันก็แค่พอใจที่จะรู้แล้วก็วางก็พอละหรือก็ไม่ต้องไปคำโวยถึงอนาคตมันจะเกิดขึ้นอีกไหมนอมันทํามันจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไรเราจะคอยระแวงระวังก็ไม่ต้องจิตก็เป็นปกติรู้เท่าทันเลยเมื่อมันเกิดขึ้นก็วางไปเมื่อเกิดขึ้นก็วางไป เมื่อไม่เกิดก็อยู่กับความเป็นปกติต่อไปนะก็คือในการภาวนาในการเดินทางสภาวะของการเดินในจิตใจเนาะมันก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้แหละนะเราก็ต้องค่อยๆฝึกหัดขัดเกลาระก็เรียนรู้จักทั้งกายและ้วก็ใจไปเรื่อยเนี่ยเราะนการเดินทางการฝึกหั ด, าดการภาวนามันก็มีเส้นทางของมันยอยนะู่เหมือนกับเส้นทางที่พวกเราเดินทางใ น, ในการทุ่ดมก็ดีเนาะ มันก็ผ่านประสบการณ์ต่างๆมากมายเราก็ขอให้เป็นผู้ที่เดินทางีจริงนะจะแวะจะแวะพักจะแวะหยุดนะก็เพียงแค่ชั่วข่าวเท่านั้นจะเจออะไรก็แล้วแต่นะอารมณ์อะไรก็แล้วแต่มีแต่ผ่านผ่านผ่า น, านทิ้งทิงทิ้งทั้งนั้นจะเป็นสุขก็ดีจะเป็นทุกข์ก็ดีจะน่าเอาขนาดไหนจะไม่น่าเอาขนาดไหนก็เพียงแค่รู้แล้วก็ทิ้งมันไปรู้แล้วก็ทิ้งมันไป รู้สภาวะที่เกิดขึ้นใหม่เรื่อยๆสภาวะที่เกิดขึ้นใหม่เรื่อยๆแล้วก็จะผ่านอารมณ์ต่างๆไปได้อย่างรวดเร็ ว, ยวอย่างเรียกว่าผ่านไปได้เยอะแยะมากมายเพราะว่าที่จริงความรู้ต่างๆเนี่ยมันเกิดเข้ามาก็ามีแล้วก็ต้องวางมาทั้งนั้นเนี่ยจะรู้ดีรู้ไม่ดีเนี่ยจะรู้มากรู้น้อยขนาดไหนต้องทิ้งมันไปทั้งนั้นเนี่ยมันมีห ล, หลายๆอย่างนะอารมณ์ก็ดีความรู้ก็ดีเนี่ย ความอยากก็ดีนะจะอะไรเกิดขึ้นแบบไหนก็ต้องทิ้งมันทั้งนั้นแต่ก่อนที่จะทิ้งได้ต้องรู้ก่อนนะไม่ใช่ว่าจะไปคิดทิ้งถ้าจิตมันไม่รู้มันทิ้งไม่ได้มันก็จะเป็นผู้เสพอารมณ์ยอยู่ดังนั้นตัวรู้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากตัวรู้ก็คือตัวที่รู้สึกตัวตัวที่มีสติทสงปัญญานี่แหละหรือว่าจิตที่เป็นจิตผู้รู้นี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญมากเบื้องต้นของการภาวนา ต้องเรียกว่าสร้างสภาวะตัวรู้ตัวนี้ให้เกิดขึ้นนะบ่อยๆนะแล้วบางทีมอาจจะไม่เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานนะแต่สิ่งที่สาคัญคือให้เกิดขึ้นบ่อยๆอยู่เสมอให้จิตที่มีสตินี่นะเกิดขึ้นบ่อยๆสติมันทีมันมันเรียกว่าให้มันทีทีให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆขึ้นเสมอแต่บางทีบางคนอาจจะจิตที่เป็นตัวรู้มันอาจจะตั้งมั่นต่อเนื่องนะก็มี แต่ต่อเนื่องก็ไม่ใช่แบบต่อเนื่องแบบไปกําหนดตัวรู้ประครองตัวรู้ไว้นะมันจะรู้อย่างตั้งมั่นรู้อย่างต่อเนื่องก็ให้มันรู้ไปมันจะดับไปแล้วก็มีกิเลสเข้ามาแทรกก็ไม่เป็นไรเราก็สร้างตัวรู้ขึ้นมาใหม่ตัวนี้เป็นสิที่สําคัญที่สุดนะจิตที่รู้เนี่แหละมันจะรู้ทั้งนอกรู้ทั้งในรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจรู้ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนะ รู้ทั้งนอกรู้ทั้งในรู้ทั้งเนี่ยรู้ไปทั่วเลยนะรู้ไปทั่วแต่ไม่ใช่ไปรู้ม่วนนะไม่ใช่ไปรู้เรื่องอ่าที่มันไม่ใช่สาระในการในการเรียกว่าในการดับทุกข์อ่ะจิตที่รู้มันก็รู้เป็นไปเพื่อความเรียกว่าเรียนรู้กายรู้ใจเพื่อความดับทุกข์แหละไม่ใช่ไปรู้สวรรค์รู้นรกรู้อะไรต่างๆ อันนั้นอาจจะบางคนก็อาจจะรู้จริงนะแต่ความรู้พวกนั้นอาจไม่ใช่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เพราะฉะนั้นความรู้มันมีมากมายแต่ความรู้ชนิดไหนเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ความรู้ชนิดใดเป็นไปเพื่อเพื่อแค่รู้เพื่อเรียกว่าสะสมแต่ไม่ได้เกิดปัญญานะแต่เป็นการรู้นอกตัวไปมันก็สามารถรู้ได้แต่เราจะไปสนใจเรื่องพวกนั้นมากมายเลยที่จริงความรู้ นอกตัวนะักมันมีมากมายเอาแค่พอได้ใช้ในการดารงชีวิตก็พอหรือบางทีมันไปรู้ในพวกภูมิอืนหรือล่วงอื่นมันก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อความลำบาทุกหรอกบางทีมันเป็นไปเพื่อความติดอกติดใจเพราะว่ามาสนองว่าเราเก่งเราวิเศษกว่าใครอันนั้นก็ไม่ใช่หรอกนะแต่บางทีมันอาจจะรู้ของมันก็ก็เรื่องของมันแต่ก็จะไปติดจะไปจะไปยึดไว้ว่า เรารู้เราเก่งอะไรขับใครก็ถ้ารู้ก็รู้ถ้าไม่รู้ก็ไม่ไม่เห็นเป็นไรนะแต่ที่สำคัญคือาการรู้กายรู้ใจของตนนี่แหละมันจะไปไปเพื่อความลดละตัวตนจริงๆมันจะเห็นว่ากายนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนนะไม่ใช่ของเรามันอยู่ที่ตรงไหนจิตนี้ใช่ตัวใช่ตนของเราจริงไม่มันเป็นของใครหรือเปล่านะนเป็นของเราเป็นของเขาไหมหรือเป็นของธรรมชาติเนะี่ยดูเพื่อเห็นตรงนี้ กายใจมันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่ของใครไหมดูเพื่อให้ศึกษาให้รู้เท่าทันตรงนี้เนาะมันก็จะเป็นการเดินทางที่แท้จริงการภาวน า, าก็จะเป็นการเรียกว่าอยู่กับชีวิตจิตใจจะทำอะไรก็แล้วแต่นะมันก็จะเป็นการภาวน า, าทั้งนั้นนะพอสมควร